กลับมาพบกับท่านผู้ฟังอีกครั้งหนึ่งแล้วรายการเปิดธรรมที่ถูกปิดภาคออนไลน์ทางเพียวธรรมะคอมอารมาพระไพบูุญอภิปุณโนเป็นผู้ดำเนินรายการร่วมกับคุณหมอนัทพงศ์ครับสวัสดีครับผมนันนะทพงศ์กระกวิรุณนะครับผู้ร่วมดำเนินรายการนะครับวันนี้ก็เป็ น, ปนตอนที่เท่าไหร่แล้วหมอนัทพงศ์ยีสิบเจ็ดครับท่านยี่สิบเจ็ดแล้ว <7. S 1> อตอนที่ยี่สิบเจ็ดนี้เราก็จะนําธรรมะดีดๆเหมือนอย่างที่ตู้ๆตอนเรามา ท่านผูฟ้ฟังครับวันนี้เราจะพูดเรื่องอะไรกันดีครับในสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่มีวันสําคัญทางพุทธศาสนาคือวันอาสาฬหาบูชาและวันวันษาวันขาครั บ, รบทีนี้ในทั้งโลกคือก็มีองค์กรอย่างเช่นสสสเนี่ยเขาก็รณรงค์เรื่องของกิจกรรมการลดละเลิกการดื่มเหล้าการลดพยาบาลด่างต่างใช่แล้วก็เห็นว่าเป็นเรื่องที่ดีเลยจะนําเรื่องนี้มาพูดคุยกัน แล้วก็อาจจะเสริมประเด็นในเรื่องของอวันสำคัญที่มีประเด็นอะไรที่ยังทางสังคมยังไม่ค่อยได้พูดถึงนะครับก็การเลือกใบยมุกนี่นะเป็น <S 2> <S 2> <S 2> คิดว่าสสเขาาทำดีเนาะคือถ้าจะมีอ ง, องค์กรอย่างนี้มากๆนะ <S 2> <S 2> ในการที่จะช่วยรณรงค์ไม่ให้คนทำชั่วแล้วก็รณรงค์ให้คนทำดีจริงๆทุก อ, องค์กรต้องรณรงค์กันเลยแล้วก็ต้องทำกันตลอดเวลา คือถ้าเราจะอาศัยเหตุอย่างเช่นมันเขา้าพรรษาเนี่ยในช่วงเขา้าบรรษาเนี่ยเป็นการทําความดีก็ดีมากแล้วก็ทําความดีต้องทําต่อไปอย่างเรื่องของการไม่ดื่มเหล้าอย่างเงี้ยนะคือคือสี่เนี่ยป ะ, ะปะกติงไง ค, คนเนี่ยมีปกติไม่ดื่มเหล้าแต่ถ้าเร า, าดื่มเหล้า9้าเดือนแล้วไม่ดื่มแค่3เดือนเนี่ยนะมันก็ไม่ใช่ปกติของชีวิตเราใน1นึ่งปีเราจะมาการไม่ดื่มเหล้าเพราะฉะนั้นแทนที่เราจะกลับกลับกันเลย งั้นเเดือนฉันไม่ดื่ม3ม<น>เดือนนี้ฉันดื่มนิดนึงหรือว่าดื่มพอประมาณอย่างเงี้ยก็ก็ยังเป็นปะกะติอยู่ใช่ไหมก็ยังมีทำความดีมากกว่าทำความไม่ดีน ะ, ะแล้วก็ทำความดีเนี่ยมันจะต้องมีเหตุใงการทำความดีอ่คือหมายความว่าถ้าเรามีความชั่วเกิดขึ้นในจิตเมื่อไหร่มีอกุสมธรเกิดขึ้นในจิตเมื่อไหร่นั่นแหละเป็นเหตุในการที่จะทา กูสนละทำละทำความดีละเหตุทางบ้านเมือง mm hmm. เช่นว่าฉันต้องรองให้ตุกแกมาจอกจอ ก, จอ ก, จ, อกจอกก่อนนะฉันจึงได้ความความความดีอันนี้คุณจะพลาดเพ mm hmm. ราะเวลาตายมันก็ไม่ได้รอเสียงตุกแกใช่ครับหรือเวลาที่จิตมันมีความไม่ดีเกิดขึ้นอย่างเงี้ย mm hmm. เวลาเราคิดงานไม่ออกทําการบ้านไม่ได้มีปัญหาในชีวิตมันไม่ได้มารอเสียงตุ๊กแกจอกๆอกแจก๊กแอย่างนี้นนะเพราะฉะนนเราต้องทำตลอเวลา ทำยิ่งทำยมากยิ่งดีเพราะองค์กรเพราะฉะนั้นองค์กรอย่างสอสนี่มีมากๆเถอะแล้วถ้าเรามาทุ่มงบประมาณในการที่จะรณรงค์ให้คนอยู่ในสี่ห้ามันจะดีกว่าการที่จะต้องมาตามแก้เรื่องของคดีความในศาลหรือว่าตั้งโรงพยาบาลรักษาโรคคนป่วยต่างๆอย่างนั้นอย่างนี้น ะ, ะนี่ก็จะเป็นสิ่งที่ดีกว่าแน่แล้วก็ ตรงนี้เป็นเขาเรียกว่าหนึ่งในจั ก, กรวัติวัดนะคือการที่ดูแลคุ้มครองปกป้องอันเป็นธรรมแล้วก็พอเป็นอย่างนี้เนี่ยเขาเรียกว่าเป็นสิ่งที่จะทําให้มีธรรมะกระจายไปทั่วโลกอะ่ะบางกัเถอะครับับก็ในทั่วประเทศไทยช่วยช่วยกันผลิตความดีจเจริญกุศลอย่างนี้นะครับใช่ใช่นี้ว่า นี่ก็เป็นแง่มุมที่สสเขาทําดีครับแล้วเหตุเหตุแห่งการทําความดีที่ทานกล่าวในสักครู่นี้มีมีข้อทําอะไรบ้างครับเหตุาการทําความดีก็คือว่า อ, อย่างกรณีของพระรือเจ้าทั้งหลายเนี่ยจะทําอะไรเนี่ยก็จะต้องอมีเหตุในเหตุ ข, ของการกระทำํำ น, นั้นเพราะฉะนั้นก็เลยก็อย่างที่ว่าแหะว่าเหตุแหงการทําความดีเนี่ย จะต้องเป็นความชั่วที่เกิดขึ้นครับห <c oughs> มายถึงเอาความชื่วอันนั้นเนี่ยเป็นตัวพิจารณาว่าเราจะละสิ่งนี้ได้ยังไงแล้วก็จะเจริญกุศลอย่างไรใช่ไหมครับถูกต้องถูกต้องเพราะว่าถ้ากุศลเนี่ยมันมันไม่ดีเราตายเมื่อไหร่ก็ไม่ทราบครับเพราะฉะนั้นจึงจาเป็นต้องอมีเจริญกุศลอย่างตลอดเวลา ค, คืออันนี้ยิ่งกว่าเวลาไฟไหม้ศีรษะต้อง ต้องเอาอไฟอดับไฟอีก น, นะมันก็จะเหมือนกันลักษณะนี้ถ้าคุณจะไฟไหม้สีาสาอยู่งั้นเดี๋ยวรอวันเข้าพรรษาค่อยดับมันไม่ได้ไม่ทันไม่ทันตายก่อนแล้วครับถ้าไฟไหม้สีสันอยู่เราจะมารอว่าเดี๋ยวเย็นนี้ค่อยดับไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นมันต้องทําเลยครับทำทันทีเรียกว่าเหมือนการเจริญสติต้องนึกได้ปั๊บทาเลยนะครใช่ใชรับ แล้วก็อันนี้เป็นประเด็นที่เกี่ยวกับการที่จะรณรงค์ อ, นนงอีกอันหนึ่งอีกอันหนึ่งก็คือว่าพระพุทธเจ้าเคยเปรียบเทียบกับพวกอบปยามุกนะ ใ, ในรูปแบบต่างๆแม่นาเลขหญิงนักเรียนสุรานักเรียนการพนันคบเพื่อนชั่วสอย่างนี้เนี่ยเป็นอบปยามุกที่ถ้าทําแล้วเนี่ยจะเป็นทางเสือเส่อมแห่งโภขะตามเสื่อมแห่งโภคะเหมือนกับเวลาที่บ่อน้ําบ่อ น, นึ่งคุณปิดรูน้ําออกทั้งหมด4ทางปิดเอาไว้แล้วก็ น้ำเติมเข้าอยู่ตลอดเวลาบ่อน้ำนี้จะต้องมีน้ำเต็มแน่นอนแต่ถ้ารูนี่เราเปิดอยู่เนี่ยเปิดรูนึงนักเลงสุรารูหนึ่ ง, ง, งปีหนึ่งเปิดสักหกเดือนปิดหเดือนแค่นี้ก็แย่พอแล้วอยู่ที่ว่ารูออกใหญ่มากหรือน้อยเพราะนั้นมันเป็นทางเสื่อมแห่งโภคาไม่ดีไม่ต้องทำเลิกไปเลยไม่ต้องสนใจหักดิบเลยนะครับหักดิบเลยเลิกไปเลยอ่าเลิกไปเลยยังพระสงฆ์อ่ะ มึแหมคนที่ชอบกินเหล้าชอบอไปเที่ยวกลางคืนเอา้าภาษานี้บวชซะหน่อยปีนี้บวชหน่อยบวชเนี่ยหักดิบเลยนะเลิกเลยนะทุกอย่างเลยนะเลิกเลยมันคนมาชวนไปกินข้าวเย็นก็ไม่ได้นะ<ส>ไม่ต้อง<ส>พูด<อ>ถึงเที่ยวกลางคืนแล้วหักดิบไปเลยนะใช้เหตุในวันเข้าวพรรษานี่แหละในช่วงที่พระสงฆ์เนี่ยอยู่เป็นที่การอยู่เป็นที่มีอั น, นิีสงสแน่นอนนะห้าอย่างที่เราเคยทราบกัน ค, คือไม่บรรลุเไม่เสื่อม เอาใหม่บรรลุธรรมที่ยังไม่บรรลุน ะ, ะไม่เสื่อมจากธรรมที่บรรลุแล้วแล้วก็แตกฉานช่ำชองในบางสิ่งแม้ที่บรรลุแล้วเป็นผู้ที่ไม่เป็นโรคที่ทำการให้ลำบากแล้วก็เป็นคนมีมิตรดีถ้าอย่างนี้เป็นอั น, นิสงส์การที่อยู่เป็นที่ถ้าคุณทำงานบริษัทเดิมมาตั้งนานอยู่บ้านเดิมมาตั้งนานแล้วก็ทำงานที่เดิมๆทำงานอย่างเดิมๆ ม, มาตั้งนานนี่นะมันมีอั น, นิี้ส์นี้แน่นอน ห, หอย่างเลยนะครับใช่แล้วอย่างพระสงฆ์ที่อยู่ตามป่าตามเขาตามดอยแล้ว3เดือนเนี่ยอยู่จำพรรษาเนี่ยจะเมียนิสงส์นี้แล้วท่านเมียนิสงส์นี้เนี่ยยังไงต่อท่านก็อาศัยตรงนี้นี่แหละในการที่จะเพียรปฏิบัติให้ยิ่งขึ้นไปในการที่บางคนก็เอาข้อจุดดว ง, งวัดมาปฏิบัติบ้างแล้วบางคนในพรรษานี้จะทําความเพียรในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งอย่างนี้เป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นเราให้อาศัยตรงนี้เป็นเหตุ ให้กำลังใจที่เราจะมีขึ้นจากการที่รพระชาพระสงค์เนี่ยปฏิบัติอย่างนี้เนี่ยแล้วทำความดีให้ยิ่งขึ้นไปนะทำเธอเพราะว่าอะไรหมอระพงอย่างวันอาสาบูชาครับวันอาสาบูชาเนี่ยเป็นหมอนที่พระเจ้าเนี่ยแสดงประสมเทศนาเราทราบกันอยู่ครับแต่ว่าเวลาที่พระเจ้าจะแสดงธรรมเนี่ยแเวลาจะไปแสดงธรรมเนี่ยนะนึกหาคนที่จะมาฟังธรรมแล้วให้ฟังธรรมไม่ง่ายนีย เออนึกถึงปุ๊บเอาเอารดาบดกลามโคดตายไปแล้วอุทะกาลามาุตก็ตายไปแล้วจะหาหาจริงๆหาได้แค่5คนจะไปให้เขาฟังทำเขายังไม่ฟังทำอีกได้พูดกัน3าสีรอบนะพอจะฟังจริงๆยังไม่ลงใจเชื่อนะจนกระทั่งพูดถึงตอนที่เรื่องของตันหาพอฟังไปฟังไ ป, งไปบรรลุบรรลุคนเดียวบรรลุเป็นโซดาบานต่างงหากนะไม่ได้สูงส่งอะไรปรากฏว่าต้องติวเข้มกันอีก3าสี่วันถึงจะให้ เป็น อ, า, อารหันทั้งห้าองค์แล้วเราทุกวันนี้หมอมรัตพงศ์ดูซิมีทั้งวิทยุเวลาไปเทศอุูบาจารย์ไปเทศทีหนึ่งมีคนฟังเป็นพันๆนะเทศออกวิทยุมีคนฟังเป็นหมืน่นๆแสนๆอย่างเงี้ยมันเป็นเรื่องที่มหัศจรรย์มากพระพุทธเจ้า บ, บ, บอกว่าความมหัศจรรย์ตรงเนี้ยเป็นความมหัศจรรย์ที่เกิดขึ้นได้เพราะการปรากฏมีของพระอรหันต์ตถาสมาสัมภาราครับที่ดูนะโลกเนี่ยมันเป็นไปตามกระแสอยู่ถูกไหม กระแสตันหาคนนี้ก็อยากได้ น, นี่คนนี้ก็อยากเป็นนั่านแก่งแย่งชิงดีกันอันนั้นก็เอาอันนี้ก็เอาทําอย่างงั้นอย่าง น, น, างนี้สิ่งแวดล้อมก็เสื่อมทรมลงแต่พอมีคนพูดเรื่องการทวนกระแสคนเขาฆ่ากันบอกอยา่าฆ่าคนเ้าลักกันบอกอย่าลักคนก็ดื่มเล้า ก, กันบอกไม่ดื่มทวนกระแสอยู่อย่างนี้ยังมีคนฟังการที่มีคนมาฟังือทําเครื่องทุนกระแสโอ้มันมหัศจรรย์มากมาก ามันเป็นเรื่องที่ยากมากๆแล้วะฉะนั้นความยากที่เกิดขึ้นตรงนี้อาะมาขอหรือขอร้องหรือว่าให้ใช้ตรงนี้แหละเป็นเหตุในการที่เราจะทําความดีให้ไปตลอดนะให้ตรงนี้เป็นจุดเริ่มในการที่เวลาที่เราจะทําความดีแล้วเนี่ยให้มันเหมือนกับลูกศรที่ต้องโลนต้องดัดเพื่อให้มันตรงให้มันใช้งานได้นะเราจะดีขึ้นมา ตัวอย่างนี้เนี่ยที่ครูเชาเคยยกเอาไว้อย่างเช่นว่าเวลาที่เราจะต้องเอาลูกสอนในช่างสอนเนี่ยเขาจะทำลูกสอนเนี่ยเขาจะต้องเอาตัวลูกสอนที่มันอาจจะง อ, จจะงอไม่ตรงเนี่ยเอาไม้นี่นะม า, าลนไฟแล้วก็ดัดชุบน้ำลนไฟดัดชุบน้ำเนี่ยเพื่อให้มันตรงนะฮะเหมือนกันเวลาที่เราพิจารณาแล้วเนี่ยเราพบว่าอยู่ในอกุศลเนี่ยอยู่ในที่สบายเนี่ยอกุศลทำเกิด กุศลธรรมเสื่มไปแต่ถ้าอยู่ในที่ลําบากแล้วกุศลธรรมเกิดอลกุศลธรรมเสื่อมไปก็ให้ดํารงตนอยู่ในความลําบากเหมือนลูกศรมันต้องลําบากมันถึงจะดัดมันถึงจะทํางานให้มันตรงใช้งานได้แต่พอดํารงตนอยู่ในความลําบากแล้วอกุศลธรรมดับไปแล้วกุศลธรรมเกิดขึ้นแล้วเป็นไปเดินตลอด่ทําได้แล้วเนี่ยก็ไม่มีความจําเป็นที่จะต้องดํารงตนอยู่ในความลําบากต่อไปหมายความว่า อย่างบางคนถือธุดงค์ขาวัดบ้างหรือว่าไปอยู่ป่านะไปอยู่วัดทําความเพียรในรูปแบบต่างๆแต่พอทําได้แล้วนะสบายแล้วก็ไม่จําเป็นต้องทําอีกต่อไปแต่นะพอ ร, รักษาจิตได้แล้วอย่างครูบาอาจารย์หลายๆท่านเราจะเห็นว่าท่านเลาในประวัติของท่านนะหมอแล้วพองค์ใช่ครับนะว่าไปอยู่ตามปา่าเจอเสือเจอช้างอดข้าวบ้างกินข้าวบ้างกินกับข้าวอย่างเดียวบ้างกินข้าวเปล่าบ้างเอ๊ะอทำไ ม, ม เออทำไมตอนพูดอยู่อยู่ห้องแอร์หรือว่ามีศาลาใหญ่ใหญ่อย่างเงี้ยนะอยู่สบายๆมีลูกศิษย์ลูกน้าเยอะแย ะ, ย ะ, ยะคอยอุปัรรมอุปถัเ อ, อ๊ะทำไมเป็นอย่างนั้นก็ลักษณะนี้แหละนะคือท่านปฏิบัติจนสูงแล้วสบายแล้วเนี่ยก็ไม่มีความจําเป็นต้องอยู่อย่างนั้นต่อไปแต่ว่าพระเจ้านะเล็งเห็นตรงนี้เลยทําตัวเป็นตัวอย่างอย่างเช่นในการหลีกเลนอย่างเงี้ยนะนะสเดือนบ้าง เดือนหนึ่งบ้าง7วันบ้างเนี่ยหายไปเลยไม่คุยกับใครไปหลีกเล่นอยู่หรือว่ายังทรงบอกพระมหากระสั ป, ปะว่าดีแล้วที่เธอทำํำทุดดวงเขวัตตลอดชีวิตเพราะว่าภิกษุอื่นเนี่ยจะได้ทําต่อไปอย่างนี้นะเพราะบางทีพระเช่าก็ไม่ได้ทําบางทีฉันอาหารเต็มบาทเลยอย่างนี้บ้างนะไปรับประานานในที่นิ ม, มนต์บ้างอย่างเงี้ยก็จะจะไม่ได้ทําเหมือนกับพระมหากระสั ป, ปะจึงบอกพระมหากระสั ป, ปะาว่าเออทำอย่างนี้ดีแล้วจะได้เป็นตัวอย่าง เพราะการที่อยู่ป่าเอย่ยอยู่ใช้นาชนะส ง, งัดอยู่ลําบากบ้างเนี่ยทำจิตให้เราดีขึ้นมาเนี่ยเป็นการดีเป็นการสมควรให้ทําเถอะธรรมะแบบนี้มันไม่ได้หาได้ง่ายๆนั้นนะจะมีทีนะแล้วก็ด้วยความนานของมันมากๆอย่างนี้เนี่ยเราจึงยิ่งจะต้องเห็นคุณค่านะอย่างที่เราเคยคุยกันไปในตอนต่อๆที่แล้วที่แล้วว่าธรรมะนี่มีค่ามากหานะราคาไม่ได้ เ, นะเพราะฉะนั้นจะเอาราคามาติด ราคาธรรมะเหมือนติดราคาของราคารองเท้าอย่างนี้มันไม่ได้ เ, เท่านี้บาทเท่านั้นบาทหนังสือธรรมะเท่านี้บาทเท่านั้นบาทมันยากเพราะฉะนั้นเราจึงไม่ทําอย่างนั้นเราก็จึงต้องที่จะยิ่งต้องศึกษาให้มากขึ้นไปไทีนี้ประเด็นต่อไปในเรื่องของวันอาสาฬหาบูชานะที่พระเจ้าพอดําริหาคนที่จะไปแสดงธรรมเพราะว่าอรดมบดก ร, รมาโคต ร, ร, รการามุตก็ไม่อยู่แล้ว นี้ว่าเออเสียชีวิตไปแล้วทีนี้ว่าทําไมจะต้องไปสาแสดงธรรมนี่เหรอไหม่านเหมือนกับท่านก็อยู่เฉยๆของท่านท่านบรรลุธรรมท่านก็สบายของท่านนะครับสบายอยู่แล้วอะ่ะทําไมฉันจะต้องไปหาแสดงธรรมหาลําบากหาปวดคอหาคือคนแสดงธรรมนี่ต้องใช้กําลังปอดอย่างมากนะหมอทศวง เ<ฮ>วลาพูดเนี่ยเราต้องใช้ปริมาณหกสิถึงสี่สถึงหกสิเอร์ซตของปอดซึ่งมันก็จะหายใจไม่คล่องน่ะนี่เหมือนกับเวลาที่เรานั่งเฉยๆนิ่งๆอยู่นะครับเพราะฉะนั้นคนที่บรรลุปเป็นผ้าอหานแล้วเหมือนกัมันสบายมากมันไม่ต้องวุ่นวุว่นวายกับใครใจชั้นสบายที่สุดในโลกแล้วเนี่ยนั่นให้ไปเที่ยวแขวงเท้าหาเสี่ยนออครัแต่ให้มีเหตุอะไรที่จะใช่สือพุทธเจ้าก็ยังมีความสำรึกอยู่ว่าโอ้ยมันจะลําบาก เปล่ๆนะถ้าพูดไปแล้วเนี่ยคนไม่รู้เรื่องเขาบอกว่าจะต้องมีรถมีบ้านกันเราบอกว่าไม่มีก็เป็นสุขได้คนเขาจะฟังเข้าใจไหมเนาะอย่างนี้นะนะี่จะรับฟิวเจอร์สมัยนี้สมัยก่อนเขาจะบอกว่าต้องอยู่ด้วยกานต้องทำทุกขลักอียดิยาถ้าเราพูดไปคนเขาจะฟังรู้เรื่องไหมเนาะอย่าพูดเลยคนขวายน้อยในการที่จะแสดงธรรมแต่เพราะว่า อย่างเงี้ยเลยคนขวายน้อยในการที่จะแสดงธรรมสามดีพรมก็ทราบข้อมูลนี้ก็เลยรีบมานิมนต์ประเด็นมันมีอยู่ตรงนี้นิดหนึ่งวัดรัตพงษ์บ้างเอ๊ะทำไมสามดีพรมต้องมานิมนต์คือหมายความว่าคือสามบดีพร ม, มมีความคิดว่าถ้าไม่มีพระเจ้าแสดงธรรมเนี่ยนะไม่มีทรรมะอยู่ในโลกเนี่ยชาวโลกจะเดือดร้อน ค, คือสามดีพรมเนี่ยเป็นใครคือหมายความว่า ทำไมจะต้องมานิมนต์ห้พุทธเจ้าแสดงธรรมมีเหตุท่านใดอ่าก็อาจจะเป็นที่ว่าสานดีพรมเนี่ยอาจจะเป็นอนาคามีก็ได้คือหมายความว่าอยู่ข้ามพระพุทธเจ้ า, ามาหลายพระองค์แล้วอู้รู้ว่าธรรมะเป็นยังไงยังไงยังไงนะเลยเห็นว่าแหว่งคงดีอย่างนี้มันต้องให้บอกให้สอนถ้าพระองค์มีความสามารถในการบอกสอนต้องบอกต้องสอนแต่ว่าอีกกรณีหนึ่งอาจจะไม่ใช่ก็ได้นะอาจจะไม่ใช่เป็นเป็น อาาคามีก็ได้อาจจะเป็นพรหมที่มีอายุยืนนานข้ามพระพุทธเจ้านะเคยสังเกตเห็นว่ามีพระพุทธเจ้าแล้วโอ้โหโลกเจริญโลกเป็นอย่างนี้พอช่ว ง, วงที่ไม่มีพนะระพุทธเจ้านี่โลกเสื่อมไปโลกมือดอย่างนี้นะก็เลยอาศัยก็เหตุข้อนี้มามาขอพระพุทธเจ้าองค์นี้สมณโคดมให้แสดงธรรมก็เป็นได้แต่เราก็ไม่รู้พระเจ้าก็ไม่ได้เคยพยากรณ์ว่าสัมบณีพรหมเนี่ยเป็นพรหมประเภทไหน อย่างไรก็ตามพอพระรูชารับฟังข้อมูลของพรหมแล้วเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องสําคัญคือพระองค์ก็ไม่ได้ฟังมาแล้วปุก๊กก็อ่ะแสดงธรรมก็ได้อย่างนี้ไม่ได้เป็นอย่างนั้นคือฟังอ่ใช่เราฟังคําของคนอื่นเนี่ยบางคนอ้าเชื่อเลยปากใจเชื่อเลยว่าต้องเป็นอย่างนั้นโดยไม่พิจารณาเนนะีเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ต้องระวังมากเพราะว่าพระรูชาบอกว่าเวลาที่มีการโฆษณาชวนเชื่อของชนเหล่าอื่นนะมรดง ถ้าเราไม่มีอมโยนิโสมานสิการคืออาโยนิโสมานสิการคือไม่ทําในใจโดยแยบกายไม่คิดวิเคราะห์ให้ดีไม่สอบหาหลักฐานตรวจทานให้ดีเนี่ยเป็นไปเพื่อมิจฉาทิฏฐิเป็นไปเพื่อมิจฉาทิฏฐ<ช>ิมิจฉาทิฏฐิจะเจริญขึ้น<ช>แต่ถ้ามีการโฆษณาชวนเชื่อของคนเหล่าอื่นนะแล้วเรามาโยนิโสมานสิการ<ช>คือการทําในใจโดยแยบกายพิจนารณาให้ดีดดอันนี้จะเป็นไปเพื่อสัมมาทิฏฐิ พระรูชาทําเป็นตัวอย่างเลยพอพรหมพูดอย่างนี้ขออย่างนี้ด้วยอาศัยเหตุผลสองข้อว่าสัตว์โลกจะเดือดร้อนข้อที่สองสัตว์ที่มีทุลินในดวงตาแต่นอนก็มีแต่พระรูชาตรวจสอบก่อนนะ่าสัตว์ที่มีทุลินในดวงตาแต่นอนมีจริงหรอตรวจสอบก็มีอุปมาอุปไมยเหมือนกับบัวใช่ไหมใต้น้ำในตรงนี้มีพูดถึงบัวสาเหล่าเพราะสาม่า อ, อัตตกถ า, าเพิ่มเป็น4ี่เหล่าเพราะว่ามีดอกบัวที่บานแล้ว พระเจ้าพูดถึงดอกบัวตูม3ามอย่างนะตูมที่อยู่ในน้ําตูมที่ปริ่ม น, น้ําและตูมที่พลน้ำํำอัตถกถาเพิ่มดอกบัวบานเข้าไปอีกอันหนึ่งเป็นสี่คือตอนนั้นอัตถกถามีความเห็นว่ายังไม่มีดอกบัวบานคือยังยังไม่มีพระอริยเจ้าปรากฏขึ้นในโลกแต่พระองค์เนี่ยเป็นเหมือนดวงอาทิตย์ใช่ไหมพอมีการแสดงธรรมแล้วหลังสมัยพุทธกาลหลังปฐมเทศนาแล้วดอกบัวที่ตุูมๆลอยอยู่เหนือน้ำเนี่ยก็บานออก <imer> <io> เลยเป็นเพิ่มเหล่าที่4ขึ้นมาก็เลยเหตุผู้พระเจ้าก็พูดถึง3เหล่านั่นแหละทีนี้พอฟังมาแล้วเราก็ต้องอยนที่สองมาแลสิกาลทราบเหตทราบผลอย่างนี้นะจึงต้องทราบข้อมูลในเบื้องต้นนี้ว่าหลังจากที่พระพุทธเจ้าตรวจสอบหลังจากที่พระพุทธเจ้าตรวจสอบแล้วเนี่ยก็ตรวจสอบในกรณีที่สองว่าคนที่มีตุลีนใโดนตาแต่น้อยมีจริงหรือเปล่าค่ะ ก็คือใครที่เคยฝุ่นเข้าตาผมเข้าตาแม่มันเอาออกยากเหมือนแล้วสิผงใช่ครับขณะ ค, คุณส่องกระจกอยู่ก็เอาออกยากเพราะว่าตามันต้องเหลือกขึ้นไปมันก็มองไม่เห็นอยู่ดีเวลาตาหนึ่งเหลือกอีกตาหนึ่งก็ต้องเหลือกตามใช่ค่ะควักตาซ้ายออกมาดูตาขวาที่มันฝุ่นติดอยู่ก็ไม่ได้มันจึงต้องมีคนช่วยเขี่ยวออกให้นะซึ่งตรงนี้มันเป็นการยากถ้าถ้าฝุ่นมากๆก็คงต้องใช้เวลานา น, านเจ็บเปล่าๆยอมหลับตาก็แล้วกัน อย่าคนที่มีกิเลสมีตัณหามีอวิชชาอยู่นะหมอท่านพงศหลั บ, บตามืดบอดอยู่แนละ้วเดินไปในที่มืดเนี่ยเดี็กก็ไปตามต้นไม้ชนหินหกล้มอะไรไม่รู้เรื่องเลยด้วยความที่ตัวเองเจ็บ อ, อันตรายเวลาคิดไปไปทํางานอย่างเงี้ยเจอคนเขาด่าก็โกรธรู้ไหมความโกรธก็ทําลายเจ้าของทาลายตัวเองครับเ อ, บ เ, อ, อเหมือนคุ้ยไผ่เกิดมาเพื่อฆ่าต้นไผ่ผลมะม่วงเกิดมาเพื่อฆ่าต้นมะม่วง ปลีกล้วยเกิดมาเพื่อฆ่าต้นกล้วยกิเลสเกิดมาเพื่อทำลายจิตของเรามันไม่รู้ไม่เห็นมันก็อย่างเงี้ยเดินชนนูน่นชนนี้แล้วไม่ยอมให้เขาพอออกด้วยนะครับพระเจ้าจึงต้องหาคนที่มีทุลินอดวงตางแต่น้อยพอเขี่ยวออกได้เคีย่ยวแล้วไม่เจ็บไม่อดไม่เวลายเอาหาใครดีใช่ไหมก็อย่างที่ว่าว่าเออก็เลยไปตามหาสามสี่คนนี้เพราะว่ า, อ ย, าอย่างที่เราให้ฟังตอนแรกทีนี้ประเด็นตรงที่ว่า พอพระรุชามาพิจารณาเรื่องคนที่มีทุลีในดวงตาแต่น้อยเนี่ยพระรุชาพิจารณาเห็นลึกซึ้งขึ้นไปกว่าที่สามบดีพรมได้เอามาเล่าให้ฟังอันก็คือว่าเห็นคนเป็นสามเหล่าสามเหล่าตรงนี้ก็คือคนที่ถึงแม้จะได้ฟังธรรมของตถาคตาได้ยินธรรมะที่คนอื่นมาเล่าให้ฟังแต่เป็นธรรมะของตถาคตนี่แหละก็ยังเป็นคนชั่วอยู่คือต่อให้มันเราพูดสอนอยังไงมันก็เป็นคนไม่ดีอะ เหมือนสัตว์นรกมาเกิดสัตว์นรกมาเกิดเนี่ยจะเป็นมีข้าวยากหมากแพงเป็นคนที่ไม่มีทรัพย์ไม่มีอะไรต่างๆแล้นี่นะเราก็จะทําสิ่งที่เป็นอกุศลต่อนะคือยังไงก็แย่อยู่นะ อ, อย่างที่2คนประเภทที่2ก็คือคนที่ต่ อ, อถึงแม้จะไม่ได้ฟังไม่ได้ฟังธรรมของตถาคตหรือธรรมะที่ตถาคตาฟังมาบอกสอนคนึ่งแล้วคนอื่นมาบอกต่อเนี่ยก็เป็นคนดีได้อยู่ดี คือไม่ว่ายัางไงคนนี้ก็ยังเป็นคนดีว่างั้นเถอะดีเนื้อแทออ้คนดีอย่างนี้พระพุทธเจ้าก็บอกว่าคนดีอย่างนี้เนี่ยมีอยู่คนประเภทที่สองประเภทที่สก็คือคนที่ต่อเมื่อได้ฟังธรรมของตถาคตถึงจะเป็นคนดีขึ้นมาได้มีอกุศลในจิตได้แต่ถ้าไม่ได้ฟังธรรมเนี่ยก็จะแย่อยู่จะเป็นคนที่มีอกุศลใิจิต พะพุทเจ้าจึงอาศัยบุคคลประเภทที่สามนี่แหละในการแสดงธรรมเกี่ยวธุรีในดวงตานะครับใช่อาศัยบุคคลประเภทที่สามเนี่ยในการแสดงธรรมทาให้บุคคลประเภทที่หนึ่งและสองเนี่ยได้ฟังด้วยเป็นเหตุเป็นเหตุหท่านมีในพุ ท, พทธวจนะไหมครับว่าจํานวนของคนในสามกลุ่มนี้เนี่ยมากน้อยอันไหนมากอันไหนน้อยยังไงนะครับ ก็ยังไม่ปรากฏเห็นนะแต่รู้สึกที่เคยได้ยินอยู่ก็คือว่าเป็นคนเขาโครหรือว่าขนโคอะไรอย่างเงี้ยนะที่เราเ<ช>คย ไ, ได้ยินกันใช่ไหมที่คงจะต้องไปตรวจสอบเพิ่มเติมว่ามีที่เป็นพุทิวัจนะจริงๆหรือไม่ถ้าท่านผู้ฟังฟังอยู่อาจจะไปตรวจสอบช่วยเพิ่มเติมหน่อยก็ดีเหมือนกันทีนี้ประเด็นต่อไปในเรื่องของตรงนี้ก็คือว่า เ, เวลาที่พระพุทธเาอาศัยตรงนี้เป็นเหตุจึงแสดงธรรม ก็แสดงธรรมนี่ก็ไม่ใช่ว่าจะแสดงได้ทันทีก็มาดําริว่าเราจะแสดงเรื่องอะไรกับใครที่ไหนแหมธรรมะที่ลึกซึ้งอย่างนี้จะสอนอยังไงคือคือจะสอนใครเนี่ยจะเป็นลําดับต่อไปใช่ไหมจะสอนอะไรก่อนสอนอะไรก็ดําริคิดไปคิดมาก็พบว่าอสอนสติปัฏฐานสี่ก็แล้วกันครับสามดีพรมลงมาครั้งที่2หมอแล้วสิผมครับคือเรื่องที่เล่ า, าให้ฟังตรงนี้เนี่ยนะ เกิดกดในช่วงท้ายๆของเดือนที่สองแล้วคือคือพระเจ้าตรัสรุปเดือน6ใช่ไหมไปแสดงประมัเทศนาในเดือน8ช่วงนี้มีเวลาสองเดือนสองเดือนครับช่วงตรงเนี้ยที่เราให้ฟังเนี่ยเกิดในช่วงท้ายๆของเดือนที่ ส, งงสอชงช่วงท้ายๆของเดือนที่สองอ 2. แล้วช่วงเดือนกว่าแลแรกๆเนี่ยอยู่อะไรอยู่สบายทําความเพียรมาตัง้งหปีขออยู่สบายบ้างปีนี้พิจารณาธรรมะบ้างใกล้ควรธรรมะบ้าง ประ อ, อความสุขในวิหารธรรมต่างๆบ้างอย่างเงี้ยนะครับพอามาเป็นช่วงไทยได้ของเดือนที่สองก็มีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นแล้วก็มาพิจารณาว่าจะแสดงธรรมอะไรดีก็พบว่าอ้าวสติประฐาน4ก็แล้วกันครับสามบดีพรมลงมาครั้งที่สองหมาะนะท่านผ้ชมครับลงมาอนุโมทนาบอกโอ้โหถูกแล้วถูกแล้วถูกแล้วเพราะว่าพระพุทธเจ้าองค์ก่อนๆ น, น, นะก็แสดงรเรื่องนี้<อ>สติประฐาน4ได้แล้วยังบอกว่าองค์อนาคตนี่ก็จะแสดงเรื่องนี้ องค์ที่จะมาบุบัติขึ้นในอนาคตต่อไปเนี่ยอยีพออกพระองค์ก็แล้วแต่ก็แสดงเรื่องนี้ปัจจุบันก็แสดงเรื่องนี้นสาธุสาธุแล้วก็หายไปที่น่าสังเกตคือทําไมสามบดีพรรมมารู้ว่าพระพุทธเจ้าองค์อนาคตนี่ก็จะแสดงเรื่องนี้เหมือนกันอันนี้กระดาษก็ให้ความเห็นตรงนี้ไว้บอกว่าอาจจะเป็นเพราะว่าสามบดีพรรมเนี่ยปรารถนาพุทภูมิจะมาเป็นพระพุทธเจ้าองค์ต่อไปหรือว่าด้วยเครื่องรู้เครื่องเห็นของพรรมก็อาจจะเป็นไปได้อย่างนี้นะ เลยทราบว่าวิสัยของออาา พ, รพระสมมสมพุทธเจ้าจะเป็นอย่างไรครับอย่างไรก็ตามพระพุทธเจ้าก็จะพูดเรื่องสติปัญสีเป็นในเรื่องเรื่องแรกเลยครับหมายความว่าเป็นเป็นหลักในการที่จะแสดงธรรมครับเคยเห็นประเด็นนี้ไหมว่าเอ๊ะทำไมพูดตอนที่อยู่ใต้ต้นไม้โพในในก็ไม่ได้ต้นต้นไม้โพหรอกที่ใต้ต้นต้นสายแต่บริเวณ น, นั้นน่ะนะครับบริเวณตําบลขยานอะไร นทำไมพูดถึงเรื่องสติประารสีแต่พอเดินทางไปเมืองพราราสีซึ่งไกลออกไปหลายกิโลเมตรหลายๆยกิโลเมตรมากๆเลยละ่ะรู้สึกจะร้อยหรือว่า60ิหรือแ80ดสิบนี่แหละนะต้องเดินทางกันเป็ น, ปนหลายชั่วโมงคือถ้าเป็นการเดินทางทางเท้านี่ก็ต้องเป็นวันเป็น2 2> วั น, นวันสองวันนะนะเนาะพอไปถึงปัญจวัคคีเนี่ยภิกษุทั้ง5้ารุ่นกลับพูดเรื่องอริยสัจสี่ใช่ครับ ก็เลยง ง, ง, งว่าเอ๊ะยสมันคือสตรีประทานสี่หรือเปล่าซึ่งก็แน่นอนนะนะสตรีประทานสีก็อยู่ในองค์ของมรดสมั้แต่ที่ต้องอถาธิบายว่าอะไรม <vardır étaient S 1> าก่อนมาหลังเพราะคนยังมีทุลีในดวงตาอยู่มารถพงต้องค่อยค่อยขูดค่อยครอบมันมันต้องค่อยๆเขี่ยออกเพราะฉะนั้นจึงต้องทําให้ทราบก่อนว่าอ๋อสุดตรงสองท่ามีนะครับทุมีนะสมุทัยมีนะนิโรดมีนะ นะเราจึงค่อยพูดเรื่องสถิติฐานสี่ไงคร่ะคือองค์ของมรคนั่นเองพอพูดอย่างนี้แล้วบรญจารวจีจึงเข้าใจได้หนึ่งในสี่ก็คือเป็นแค่โซดาบัลบรรลุเป็นเซอร์แบบบัแล้วก็ตรงนี้ก็เรื่องที่สําคัญแล้วองค์ที่เหลือก็ค่อยๆบรรลุตามตามกันมานะครับก็คือต้องติวเข้มกันอีกสองสามวันตรงนี้พระพุทธเจ้าได้บอกว่า ภิกษุ2รูปไ ป, ปบิณฑบาตอีก4รูปนะีอยู่ด้วยอาหารที่ภิกษุ2รูปนํามาภิกษุ3รูปไ ป, ปบิณฑบาตอีก3รูปอยู่ด้วยภิกษุที่อาหาร3รูปนํามาแสดงว่าไม่ได้อยู่วันเดียวต้องมีการไปบิณฑบาตหาลิ้ยงชีพอย่างน้อยต้องมี2วันอย่างน้อยต้องมี2วันที่ติวเข้มกันอยู่ติวเข้มกันตรงนี้เนี่ยใช้พระสูตรอะไรพรูชาวก็พูดถึงอนัตตลักขณะสูตรคือตาหูจมูกลิงนกายใจเป็นกองไม่เทียม งองค์ปกอบไม่ใช่ตนคือตอนรรแรกพูดถึงเรื่อง อ, อริยสัจสี่ใช่ไหมครับออใช่อริยสัจสี่เาเรียกว่าทมาจากกับปปัปปสูตรใช่ไหมใช่ครับชื่สูตรเดียวกับตั้งภายหลังหรอกพอมาติวเข้มกันสองสาวันเนี่ยพูดถึงความเป็นอนัตตาซึ่งความเป็นอนัตตาเนี่ยเป็นเรื่องแรกเป็นสิ่งแรกที่พระพุทธเจ้าพูดในสมัยนั้นคือหมายความว่ายังไม่มีใครนําเสนอเรื่องนี้มาก่อนอนัตตานัตตานะความเข้าใจตรงนี้จึงต้องติวเข้มกันอยู่หลายวันครับ ทำสมาธิบ้างมาฟังธรรมบ้างไปบินดบาตบ้างไปเดินจงกรมบ้างอย่างนี้เพราะในช่วงเข้าพรรษาเนี่ยอาจารย์มาจึงจะต้องอเขาเรียกว่างไงเดีเชิญชวนชี้ชวนนะให้เห็นชัดชวนให้ปฏิบัติให้กระจ่ายแจ้งในธรรมว่าธรรมะพระพุทเจ้าเป็นของดีให้ทำถ้าคุณจะอาศัยเหตุนในช่วงเข้าพรรษาให้ทําทําเลยทำวันนี้เลยทำวันนี้ที่ฟังนี่แหละพักดิบเลย เลิกเลยอะไรที่ไม่ดีนิสัยไม่ดีเลิกครับลิสต์ออกมาเลยเขียนเป็น4ี่อย่างอย่างแรกคือนิสัยที่ที่ที่ไม่ดีที่ฉันไม่เคยจะไม่ทำนะคือเราไม่มีด้วยอย่างเช่นค่าคนบางคนไม่ดื่มเหล้าเป็นปกติแล้วก็เขียนไว้ไม่ดื่มเหล้าจะไม่ให้มันเกิดขึ้นอีกลิสต์ที่2งรายการที่สองเขียนไปเลยนิสัยไม่ดีที่ฉันมีอยู่เช่นนอนตื่นสายขี้เกียจเถียงแม่เขียนลงไปเลย อันนี้ฉันจะหักดิบไม่ทําเลิกอัที่2อนี้อันที่3คือนิสัยที่ดีนะที่ฉันคิดว่าจะต้องทําให้เกิดอย่างเช่นบางคนยังไม่เคยนั่งสมาธิจุกเช้าค่ำนะจะนั่งละ่ะทําให้เป็นกิจวัตรอย่างน้อย10นาทีก็เอาตื่นเช้ามาก่อนลุกจากเตียงนั่งเลยตอนนอนก่อนเข้านอนเอาอีกรอบหนึ่งอย่างนี้นสนาทียี่สินาทีก็เอานะไม่เป็นนิสัยอันนี้อันทีส่สอันที่4คือความดีที่เรามีอยู่แล้ว ความดีที่เรามีอยู่แล้วเราจะเป็นผู้ที่มีปิยวาจาอยู่แล้วก็ทําให้ยิ่งขึ้นไปครับสี่อย่างนี้คือจะเป็นในลักษณะของสมาวิยมครัติทาเลยทําเลยครัแล้วก็ทําเริ่มเลยแล้วก็ทำให้ดีพระอาจารย์ครับในโอกาสนี้มีคําถามต่อเนื่องจากคราบที่แล้วนะครับจากผู้ฟังทํางสองท่านนะครับจะขออนุญาตที่จะถามเลย ท่านแรกเป็นผู้ที่ใช้นามว่าคุณอาทิตานะครับถามว่าคือผู้ถามเนี่ยกำลังทําการวิจัยเกี่ยวกับเรื่องการเจริญสติหรือที่เรียกว่า mindfulness อืท่านถามว่าสามารถใช้คํานี้กับการเจริญอานาปานาสติหรือสติปัฏฐานสีได้หรือไม่ครับโอ้ก็สติปัฏฐานสี่ก็คืออน า, านาปานสตินั่นแหละเนอะโดยใช้ลหมหายใจเป็นเป็นเครื่องในการที่จะ เห็นสติทีนี้ลมกายานุปัสนาสิปฐานอย่างเช่นอย่างเงี้ยนะก็นอกจากลมหายใจก็ยังมีอย่างอื่นอีกเช่นว่ากระดูกก็ได้หนังก็ได้ผมก็ได้ขนก็ได้พวกนี้ก็ได้แล้วก็ถ้าเป็นเวทนาก็เป็นเวทนาที่เกิดจากความสุขความทุกข์ก็ได้ถ้าเป็นอนาปานสติก็คือความรู้สึกที่เกิดจากสัมผัสของลมหายใจก็จะมี คือถ้าจะเปรียบเทียบนะเป็นอย่างนี้ว่าเหมือนเยื่อเบ็ดอะสิ่งที่เราต้องการคือปลาของเราครับเราไม่ได้ต้องการเยื่อเบ็ดเพราะฉะนั้นเยื่อเบ็ดเนี่ยถ้าคุณจะไปตกปลาน้ํำตื้นตกปลาน้ำเที่ยวตกปลาน้ํานิ่งตกปลาน้ําจืดตกปลาน้ําเข็มเยื่อเบ็ดจะไม่เหมือนกันปลาแต่ละประเภทปลาใหญ่ปลาเล็กปลากินเนื้อปลากินปลาระบังสาวิรัติก็มีมันก็จะไม่เหมือนกันเยื่อเบ็ดเพราะนั้น อยปรียบจึงมีหลายประเภทพระพเจ้าจึงสอนไว้หลายอย่างใช่ไหมเอาแค่เรื่องกายอย่างเดียวเนี่ยคุณเอาลมหายใจก็ได้คุณเอากระดูกก็ได้คุณเอาไส้คุณก็ได้คุณเอาเยื่อในสมองก็ได้คุณเอาขนตาก็ได้ครับได้หมดอ่ะแต่ว่าเราต้องรู้อย่างนี้ไงว่าสิ่งที่จะเกิดนะคือเกิดที่จิตไม่ได้เกิดที่ในกระดาษในรายงานนะเกิดที่จิตว่าจิตคุณสงบไหมล่ะจิตคุณสามารถละสิ่งที่ยังอกุศลที่ยังละไม่ได้ไหมล่ะ นั่แหละคือเกณฑ์ที่พิจารนาว่าเราจะใช้เยื่อแบบไหนเราจะใช้วิธีไหนก็ทำวิธีนี้มันว่าก็ทำเลยครับไมก็สรุปได้ว่าสามารถใช้แทนกันได้คำว่าการนะครับที่เป็นการตอบคำถามใช่ไหมครับใช่ใช่ครับข้อข้อที่สอง body scan หมายถึงอะไรครับ body scan ไม่ทราบเหมือนกันนะอาจจะเป็นสัมพทางเทคนิคเขาคิดขึ้นมาครับคือ ผู้ถามมีในองเล็บบอกว่าในงานวิจัยก่อนหน้านี้มีการกล่าวถึง mindfulness ว่าประกอบด้วย body scan walking meditation แล้วก็ awareness breathing ก็คือคงเป็นอ น, นาปนสติแล้วก็เดินจงกรมแล้วก็การพิจารณากายบางอย่างเตอร์ส่วนการพิจารณากายนี้ก็อย่างที่บอกได้ทั้งนั้นได้ทั้งสามอย่างการเดินเนี่ยผู้เช้าก็บอกว่ามีสติสัมปชัญญะในการเดินกลับไป เดินก้าวไปข้างหน้าเดินหนอยกลับมาข้างหลังอันนี้ก็เป็นการเดินเกิด<ช>ทั้งสามอย่างเนี่ยเป็นกายานปุปัสสนาสติปัฏฐานได้มหมดเลยครับบอดี้สแกนก็เข้าใจว่าน่าจะเป็นการพิจารณากายนะครับใช่ใช่ใชข้อต่อไปก็คื อ, อชาวต่างชาติเนี่ยทำวิจัยเรื่องของการเจริญสติไวมากมายซึ่งมีประโยชน์มากอยากจะทราบว่าคาว่า meditation เนี่ยต่างจากคาว่า mindfulness อย่างไรครับ Meditation เนี่ยปัจจุบั น, นใช้ความหมายก็คือว่าไปยึดติดรูปแบบว่าต้องนั่งต้องหลับตาต้องอยู่ต่อหน้าพราะพุทธรูปหรือว่ า, อ, าอยู่ในที่สงบๆอย่างนี้แต่จริงๆ e d i t a t i o n นเนี่ยคือการทำสมาธิเนี่ยคือการนั่งในรูปแบบนี้ก็เป็นรูปแบบในการฝึกอย่างหนึ่งเท่านั้นเองจริงอ ย, อยู่ที่จิตใช่ไหม ค, ครับใช่พระพุทธเจ้าใช้คาว่าสมาธิ เสมาธิเนี่ยไม่ต้องเลือกรูปแบบอาจจะเป็นรูปแบบไหนก็ได้เพราะฉะนั้นคุณจะเดินอยู่นั่งอยู่นอนอยู่ทํางานอยู่ทํางานบ้านอยู่สอ่นหนังสืออยู่เรียนหนังสืออยู่ทําฟันอยู่ผ่าตัดคนไข้อยู่อยู่ในห้องนอนนอนอยู่ตื่นอยู่นอนหลับอยู่ก็ตามมีสติได้หมดเพะฉะนั้นเมดิเทชันเนี่ยเป็นรูปแบบหนึ่งในการฝึกก็อยู่ที่ว่าคุณจะให้ความหมายมันยังไงอะถ้าเราบอกว่าสมาธิสมาธิเนี่ยต้องมีทุกขณะเดินอยู่ก็ได้ แล้วก็าการทําสมาธิจึงกินความหมายกว้างกว่าการที่เขาจะต้องมานั่งหลับตาดูหนังต า, าทีนี<ะ>้คำว่าสุกีเลยดด์ผลนใช่ไหมครับใช่ใส่วนคําว่า mindfulness เนี่ยก็คือมีสติเนี่ยก็จะต้องหมายถึงสติกับสมาธิเนี่ยเอาพูดให้มันชัดเจนหน่อยดีกว่าคําว่าสมาธิจะจ ะ, จะใช้เปลี่ยนเป็นคำว่าทําจิตให้เป็นหนึ่ง เพราะฉะนั้นทําจิตให้เป็นหนึ่งกับการที่จะต้องมานั่งหลับตาดูหนังตาเนี่ยเป็นคนละเรื่องกันจิตเป็นหนึ่งได้อยู่ตลอดทุกอุปับฐากการมานั่งหลับตาดูหนังตาก็เป็นแค่วิธีการหนึ่งที่จะทําได้ครับทีนี้การทําจิตให้เป็นหนึ่งกับการที่มีสตินี่ก็เป็นคนละเรื่องกันอยู่ดีเราได้เคยพูดตรงนี้ไปแล้วในเรื่องของสมาสติกับสมาสมาธิบอกความแตกต่างอยู่สักตอนหนึ่งนี่แหละในตอนก่อนๆหน้านี้ตอนนี้ว่า ก็จะมาเน้นย้ำกันให้ฟังตรงนี้ว่าคุณมีสติในนิวรณ์ก็นใดมีสติในความฟุ้งซ่านกันใดมีสติในความกระสับกระสายไม่สงบกันใดมีสติในตัณหาที่เกิดขึ้นกันใดมีสติในกิเลสที่เกิดขึ้นกันใดอันนี้มีสติได้หมดแต่สมาธิหมายถึงการทําจิตให้เป็นหนึ่งเนี่ยคือกิเลสต้องไม่มีกิเลสต้องดับไปแล้วการที่เรามีสตินี่แหละเราจะสามารถละได้บางคนมีสติอยู่แต่ละไม่ได้แต่ดีแล้ว เพราะบางทีปัญหาตัวเองก็ไม่รู้ถ้ารู้ปัญหาแล้วยังแก้ไม่ได้ไม่เป็นไรรู้ปัญหาแล้วมันจะเริ่มแก้ได้คใช่ไหมแต่ถ้าไม่รู้เลยเนี่นะไม่มีทางแก้คุณแก้ไม่ได้แน่ใช่ไหมทีนี้พอรเราเริ่มรู้แล้วว่าจิตของฉันมีราคะจิตของฉันมีโทสะมีโมหะมีความไม่ดีมีความฟุ้งซ่านดีแล้วรู้แล้วยังปล่อยไม่ได้ใช่ไหมฝึกต่อไปฝึกต่อไปจะเริ่มปล่อยนะเพราะปล่อยได้หมดเมื่อไหร่นะนี่นั่นนะ่ะเป็นหนึ่งละจิตเป็นหนึ่งนั่นก็คือความมีสมาธิ <The> concentration คอนเซนทร์ชันขอคมั บ, บมีคำถามต่อเนื่องจากคุณมนีเนตรนะครับณมณีเนตรถามว่าถามว่าขอทราบกลุ่มพระสูตรข้อธรรมที่เกี่ยวกับเครื่องขูดเกล<อ>ีอยู่ในหมวดใดและก็อยู่ในส่วนใดของหนังสือห้าเล่มจากพระโอษครับอันนี้จะอันนี้จะเขียนอตอบในในตอนท้ายของอโพสต์นี้ก็แล้วกันอาจะอยู่ในหนังสือห้าเล่มนี่แหละ ขึ้นขุดเก่าเข้าใจว่าที่แปลว่ามานจะคําว่าสันเลกธรรมใช่ไหมครับใช่ใอยู่ในหน้าไหนก็เดี๋ยวจะเขียนบอกให้ในโพสต์นี้วันนี้ก็สมควรเก่เวลาสมควรเวลาแล้วก็คิดว่าท่านฟังก็ติดตามฟังในตอนต่อไปเราจะมาพบกับทุกๆท่านในทุกสัปดาห์ก็จะมีอาจารมากระหมอมรัศมวงศ์นี่แหละมาด้วยกันถ้าท่านไหนมีคําถามก็โพสต์มาที่เพียวธรรมะ .com นะครับแล้วก็จะนํามาตอบให้ฟังในราการได้ วันนี้ก็คิดว่าลา ก, กันเท่านี้แล้วพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าดปวนครับครับศการครับสวัสดีครับ